การตรึกของเราก็เหมือนกับคนตรึกที่ไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรนะธรรมะนี่นะก็ธรรมะแต่ละหมวดแต่ละคำก็เหมือนกับถนนแต่ละสายนั่นแหละการพูดถึงถนนแต่ละสายนี่พูดทำอะไรใช่ไหมสมมติไปถึงทางถึงถนนแล้วไปทำอะไรต่อถามว่าสติเป็นมากไ้ยเป็นวิตกะเป็นมากไหมเป็นปัญญาเป็นมากไ้ยเป็น แต่การกล่าวลักษณะนี้ก็เหมือนกับกล่าวถึงถนนหนทางทั่วไปเสร็จแล้วต่อให้เป็นอะไรไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางและก็ไม่มีที่สุดแต่ถ้าหากว่าการพิจารณาพระธรรมของเรานั้นโดยที่นึกถึงคําสอนสักหมวดหนึ่งหรือสักสูตรหนึ่งแล้วเอามาตรึกสูตรหมวดตรงนั้นให้ได้ก่อน เสร็จแล้วไปเชื่อมต่ออีกว่าพระองค์เรียงคํำยังไงต่อไปคือพระพุทธเจ้านั้นมีอัธยาสัยเดียวอัธยาสัยเดียวของพระองค์คืออะไรน้อมนิพพานอย่างเดียวนั่นนะเพราะนั้นคำสอนทุกๆสูตรของพระองค์จึงมีรสเดียวคือมีมุติรสเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องแสดงให้ถึงที่สุดให้ได้เฉะนั้นพยัญชนะที่เราเอามาตรึกเนี่ยนะเพื่อเข้าใจอัฏฐะนั้นๆเนี่ยเราต้องนึกที่มาให้ได้ นะเพื่อที่จะได้พิจารณาถึงบทต่อไปอีกนะไม่ควรที่จะติดอยู่แค่พยัญชนะตรงนั้นจะได้เลยต่อไปเลยต่อไปเหมือนกับกล่าวถึงธรรมะที่เรียกว่าอินรีห้าเนี่ยนะเราก็ไม่ควรจะกล่าวบทใดบทหนึ่งโดดๆเห็นะเราก็ควรเรียงให้ได้หนึ่งสองสามี่ห้าควรจำให้ได้ทั้งห้าข้อ อ, อยู่ๆแล้วเรายกสติขึ้นมาอย่างนี้ ก็คีดเรื่องสติไปแต่ให้รู้ว่าสตินี่อยู่ข้อสามนะต้องนึกให้ได้ว่าสติอยู่ข้อสามเนี่ยนะก่อนที่พระองค์จะแสดงสติพระองค์แสดงอะไรก่อนแสดงวิริยะใช่ไหมก่อนที่พระองค์จะแสดงวิริยะแสดงอะไรก่อนศรัทธาแล้วศรัทธาเป็นอย่างไรเนี่ยนะศรัทนธะาคืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแล้วก่อนที่ศรัทธาจะเกิดเนี่ยคืออะไรนะไล่รเรื่องให้ได้ แล้วก็เอาศรัท ธ, ธาอะไรเป็นอาหารของศรัท ธ, ธาปัจจัยของศรัท ธ, ธาแล้วศรัท ธ, ธามันเกื้อกูลต่อวิริยะอย่างไรแล้ววิริยะเนี่ยเกื้อกูลต่อสติอย่างไรสติเกื้อกูลต่อสมาธิอย่างไรสมาธิเกื้อกูลต่อปัญญาอย่างไรอันนี้ลักษณะสภาวะธรรมแต่ละตัวเป็นอุปนิสัยให้แก่แก่กันเหมือนกับในมรรคแอย่างเงี้ยเออถ้ากล่าวถึงสติโดยนิย่าแห่งมรรคเนี่ยสติอยู่ในมรรคระดับไหนอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็ไล่ไปว่าก่อนที่จะมาถึงมรรคข้อนั้นเนี่ยมาจากไหนก่อนต้องไล่เรื่องให้ได้ถ้าเราไล่โครงสร้างไม่ได้การตรึกธรรมะของเราก็จะนานเข้านะใหม่ๆมันตื่นเต้นนะหูเข้าใจธรรมะหมวดหนึ่งนี่ลึกซึ้งน่าดูเลยใช่แต่นานนานเข้ามันพายเรือในอ่างจะพายไปไหนเนี่ยยิ่งจำ้ำยิ่งวนอยู่นั่นแหละคิดไปคิดมาวนอยู่นั่นแหละไม่รู้อะไรคือเบื้องต้น ไม่รู้อะไรคือที่ข้ามกลางไม่มีไม่รู้ว่าอะไรคือคือที่สุดเลย น, น, นะนะทันการเจริญกุศลธ ร, รรมของเราก็ไม่งอกงามเท่าที่ควรพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมไม่ต้องพูดถึงถอยนะขนาดเท่าเดิมและสมมติว่าวันนี้ยกสมมุตินะกุศลจิตเกิดชั่วโมงหนึ่งเอาพรุ่งนี้ลดมา เ, าเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้อีกชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าอย่างนี้พระองค์ไม่สรรเสริญ ไม่ต้องกล่าวไปยายถึงลด59นาที5้าสิบแปดห้าบเลดมาเรื่อยพระองค์ไม่ไม่สรรเสริญการลดกุศลธรรมแต่สรรเสริญการเพิ่มพูนกุศลธรรมเพิ่มให้มากขึ้นเนีย่ยนะต้องต้องไม่อยู่กับที่เดิมเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมนั้นเพื่อความเจริญงอกงามแห่งแห่งอะไรเจริญกุศลธรรมเพื่อเจริญงอกงามแห่งกุศลนั่นแหละเจริญกุศลเพื่ อ, ออุปนิสัยแห่งกุศลที่ดีขึ้นเนีย่ยนะถ้าเราตั้งจิตไว้ให้ถูกเนี่ยนะ เจริญศรัทธาเพื่ออะไรก็เพื่อศรัทธานั่นแหละศรัทธาวันนี้เล็กๆน้อยๆก็เพื่อศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่า น, นั้นเนีย่ยนะศรัทธาที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีอนุภาพแรงขึ้นไปเนีย่ยนะการเจริญกุศลธรรมต้องเป็นไปในลักษณะนั้นเนีย่ยน ะ, ะเห็นอารมณ์เดียวเนี่ยนะใจเราต้องลึกซึ้งมากกว่าเดิมซึ้งมากขึ้นแต่ถ้าะเท่าเดิมแสดงว่าปัจจัยนี้บกพร่อง ปัจจัยแห่งกุศลเหล่านั้นนี่บกพร่องถ้าจะให้กุศลจิตเกิดเนี่ยนะก็ต้องเสริมที่ที่ปัจจัยนถะ้ากุศลจิตนั้นเป็นผลของอีกอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนะกุศลนั้นเป็นผลของอีกอย่างหนึ่งแล้วดันั้นการกล่าวถึงธรรมะแต่ละหมวดเราควรเอาผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งแล้วค่อยสาวไปหาปัจจัยเนี่ยนะแต่ถ้าพูดถึงลักษณะว่าปัจจัยแล้วไปหาปัจจยุบันเนี่ยอันนี้จะลําบากหน่อยเพราะว่า นึงอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นปัจจัยให้เกือบรอบทิศเลยเกือบรอบทุกทิศเลยแต่ถ้าเอาผลมาตั้งนะแล้วค่อยสาวหาเอ้มาจากเหตุอะไรบ้างอันนี้ไม่ยากนกะเพราะพระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะยกผลขึ้นมาก่อนนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะห้าอย่างนี้เกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐินา ย, ยกสัมมาทิฏฐิเป็นเป็นผลเสร็จแล้วก็เอาปัจจัยห้าอย่างมาสแสดงว่าหนึ่งนะสัมมาทิฏฐินี้ อันศีลอนุเคราะห์อันสุตตะอนุเคราะห์อันสมัตวิปั ส, สนาสากฉาอนุเคราะห์แล้วย่อม ม, ญญ ม, นะมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นผลเนี่ยนะมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์เป็นอนิสงเนี่ยพระองค์พูดถึงผลคือสมาธิฏิสมาธิฏิซึ่งได้จากปัจจัยหอย่างแล้วก็ได้ผลคือเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์วันนี้ก็กล่าวถึงใน สภาสวะสังวรสูตรต่อนะเมื่อวานกล่าวถึงภูมิของปุตุชนนะปุตุชนนี่เองนะรู้ละเหตุทําให้คิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดมนสิการเรื่องที่ไม่ควรมนสิการมนสิการ์ยังไงมานสิกา ร, งงการซึ่งมานสิการเป็นไปกับอโยนิโสมานสิการเนี่ยนะอโยนิโสเนี่ยเป็นยังไงนะ คือขณะใดาที่วิปลาสนั่นแหละเรียกว่าอายนิโสเนี่ยนะจิตที่เป็นไปกับวิปลาสหรือคิดตรงกันข้ามกับอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าอายนิโสใช่ไหมอริยสัจเป็นอย่างไรเราคิดกลับกันหมดเลยนั่นแหละเรียกว่าอายนิโสเกิดขึ้นล้ทีนี้ต่อไปว่าถ้าปุตติชนเนี่ยถ้าจะคิดก็เป็นไปกับอายนิโสแล้วคิดคิดยังไงคิดสงสัยสิสงสัยใน อดีตการอันยาวนานสงสัยชีวิตที่จะมีในอนาคตการที่ยาวต่อไปแล้วก็สงสัยในปัจจุบัน น, นะพอความสงสัยทั้ง16อย่างนี้เกิดขึ้นทิฏฐิหอย่างก็จะมั่นคงแล้ว น, น, นะทิฏฐิหอย่างก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าในทิฏฐิทั้งหข้อนะก็คืออะไรก็คือสัสถตตทิฏฐิกับอุเฉท ท, ทิฏฐินั่นแหละ สัสตตถิทินี้ก่ออุเชททิฐิมีอะไรเป็นพื้นฐานมีสกายะทิินะเป็นพื้นฐานสกายะทิฏเป็นอุเชททิฐิเท่าไหร่สกายะทิฏเป็นอุเชททิฏห้าเป็นสัตตติทิสิบห้าเ่็นไหมแล้วก็ทิิอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นผลของทิิคืออะไรพระองค์ตรัสไว้ว่า ปุตชชนผู้ประกอบด้วย <c oughs> ทิฐิสังโยตคือเครื่องผูกคือทิฐิเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ยังไม่ได้สระดด้วยอ <c oughs> สระดนี้สระดับแค่ไหนนั่นแหละระดับ <c oughs> โสดาปติมมัคไม่เกิดนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้ก็ไม่พ้นจากชาติชารามารณะ <c oughs> บอกว่าไม่พ้นจากชาติ ชรามารณะแสดงว่าทิฐิอันนั้นเนี่ยถ้าสงข้อลงปฏิจจสมุปบาทจะอยู่อย่างไหนก็จะอยู่ตรงอุปาทา น, า น, นทิฏฐิอันนั้นก็เป็นอุปาทานอุปาทานเนี่ยนะทิฐิมันไม่ได้เกิดอยู่โดดๆใช่ไหมทำกรรมนี่ต่อด้วยกรรมและอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเกิดกรรมก็คือพบนั่นเองพอพบเกิดอะไรเกิดชาติชรามารณะเห็นไหมผลของเกิดแก่ตายคืออะไร โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะก็แล้วก็ไม่พ้นจากกองทุกเหล่านี้แหละก็วนอยู่นี่แหละวนเหมือนอะไรบางแห่งก็บอกว่าเหมือนสุนัขถูกล่ามโซะมาวนอย่างน้นะ ไ, ไม่ได้ไปไหนหรอกเหมือนไปนะเดินทั้งวันเลยนะไม่ได้หยุดยอนเลยนะเหมือนไปแต่ที่ไหนไนดะ้กลับมาที่เก่าเราเราสังเกตดูนะชีวิตเราเนี่ยนะเอ๊เหมือนไปมาแต่เยอะเลยนะนั่งคิดทบทวนไปทบทวนมาก็อยู่ที่เก่านี่ไมไ่รู้สึกไม่ไหนเลย เนี่ยนะก็นั่งกับพิษตากับปีบกับปิบอยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนสักอย่างเลยนะก็เหมือนเมื่อวานกับวันนี้บนมาเจอกันเนี่ยนะวันนี้อ่านธรรมสังขีนีท่านพูดถึงเ อ, อวิพังนะคนทวิพัง์เนี่ยก็บอกว่าเวทนาเนี่ยกุศ ล, ละเวทนาใกล้ต่อกุศลเวทนาอากุศลเวทนานี่ใกล้ต่ออากุศลเวทนาเั้นความรู้สึกเออความรู้สึกที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะ พอมันได้ปัจจัยแล้วเวทนาเกิดนะมันจะนึกถึงไอ้ของเก่าง่ายใช่ไหมถ้าถ้าสมมุติบรรยากาศแบบนี้นะถ้าเอาเมื่อวานมาต่อนะเรื่องที่ฟังเมื่อวานมาต่อเอ๊ะมันก็ไม่เห็นยาวอะไรเลยนะมันต่อกันต่อใกล้กันกำลังกันเวทนามันใกล้กันและอาคุศลเวทนาก็ใกล้ต่ออาคุศนเวทนาด้วยนะสมมติว่าอารามณะปัจจัยนี้ก่อให้เกิดเวทนาเสร็จโทสะเกิดนะพอได้ารามณะปัจจัยแล้วให้เวทนาแบบนี้โทสะก็เกิดอีก เวทนาที่เป็นอกุศลก็ใกล้ต่อเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นโลภะก็ใกล้ต่อเวทนาที่เป็นเป็นไปกับโลภะอีกนั้นอุเบกขาเวทนาก็จะใกล้อุเบกขาเวทนาสุขเวทนาก็จะใกล้กับสุขเวทนาก็จะใกล้ก <yıl> <hando> ันแบบนั้นแหละแล้วก็จากอ่านตรงนี้ทําให้เข้าใจความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเห็นอันนั้นแล้วทำไมเรารู้สึกอย่างนี้และไปคลับคล้ายคลับคลากับเรื่องนั้นเข้าอย่างเงี้ย อ๋อเวทนานี่มันใกล้กันริงพระ อ, องค์ก็แสดงเรื่องขันนะแต่ เ, เราคิดเรื่องขันเนี่ยน้อยไปคือคำว่าขันนี้สิบอดอย่างนะนะขันเนี่ยเพราะสิบอดอย่างคือหนึ่งอดีตสองอนาคตสามปัจจุบันและภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลเนี่ยนะทั้งหมดสิบอดอย่างเนี่ยเรียกว่าขันแต่ทีนีงง้ใกล้อย่างไงไกลอย่างไงเราก็มาตรึกอ่อนไป มาตรึกอ่อนไปที่จริงในชีวิตเราเกิดขึ้นเราก็เลยใส่ใจถึงคําสอนได้น้อยไปอวิชชานี่เองทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้รู้ต้นตอแล้วนะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพระอริยะสาวกเป็นยังไงในข้อยี่สิบนะภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เพราะพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยะได้รับคําแนะนําดีแล้ว ในธรรมะของพระอรยะิยสุตตาวาฟังมาแล้วทัตสาวีเป็นผู้เห็นใช่ไหมแล้วก็โกวิโทฉลาดวิณีโตมีวิเนยของพระอริยเจ้าแล้วก็พบสัตบุรุษพบฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษ คือตรงนี้ก็คือประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมได้ น, น, ะนะหาหน้ายัางไม่เจอเลยหน้ายี่สิบอะทีนี้เมื่อเป็นพระาษาษาษาอริยสาวกอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์เนี่ยแสดงดํากับขาวให้มันให้มันชัดกันของพวกเราเนี่ยขาวหรือดำหมักแห ล, ล่ๆเนี่ยดำก็ไม่ใช่เทาๆก็จะว่าดํา ก, า, าก็ไม่ใช่ขาวก็ไม <c oughs> นะ่เชิงน่ะคือพร้อมที่จะดําก็ได้ ถ้าฟอกต่อไปก็เขาพระองค์จะชี้ให้เห็นชาติพระองค์ก็เลยแสดงเขาไปเลยพวกแล้วไว้ก่อนฟังเอากันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นพระอริยะสาวกย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมานสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมานสิการนะอริยะสาวกในท่านฉลาดนะท่านรู้อะไรควรคิดไม่ควรคิดคือ ไม่ใช่ให้แยกอารมณ์แต่แยกอะไรเมื่อวานบอกแล้วใช่ไหมแยกความคิดนะคือถ้าถ้าพูดโดยเหมือนกับธรรมะที่เราเรียนคือวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยแยกที่วัตถุหรือแยกที่อารมณ์นะแยกที่วิญญาณนะทไมตกลุมนะเมื่อวานตกใหญ่เลย <c oughs> คืออารมณ์เขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาใช่หวัตถุก็เป็นอย่างนั้นของวัตถุแต่ความคิดของเราเนี่ยนะมีกิจชาติใช่ไหมเป็นไปกุศลก็ได้ อากุศลก็ได้อัพยากะตะก็ได้ใช่ไหมดูดูดูเคลิมหลับเลยอพยากะตะเกิดต่อเลยนะฉะนั้นจะต้องในอารมณ์นั้นเนี่ยนะคิดยังไงในอารมณ์นั้นให้กุศลจิตเกิดขึ้นฉะนั้นพระอริยาสาวกท่านมีความสา ม, มารถที่จะมนานสิการให้ให้กุศลจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรมนานสิการท่านก็จะมนานสิการสิ่งนั้นอะไรที่ไม่ควรมนานสิการก็ไม่ มนัสการสิ่งนั้นนะในในลักษณะอริยาสาวกตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราดูสัพท์ตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่20เลยเนี่ยบอกว่าผู้ได้สดับแล้วท่านใช้ศัพท์นี้นะได้สดับแล้ว<ม>เพราะฉะนั้นเขาคิดอย่างที่เขาศึกษามามเขาคิดตามคําสอนเพราะฉะนั้นสาวกเนี่ยโดยพุท่าเขาเรียกอะไรเรียกอนุพุทธาหรือเรียกว่าสาว ก, กพุบผู้ท่าแต่สั์ส่วนใหญ่บางทีใช้คําว่า อนุพุทธผู้ตรัสรู้ตามท่านคิดตามเพราะผ่านการฟังมาเป็นอย่างดีแล้วอั้นคำว่าฟังนะสุตวานี่ฟังฟังแค่ไหนมันก่อนพูดถึงคำว่าฟังแล้วฟังฟังแล้วฟังแค่ไหนฟังแล้วสามารถทรงจาไว้ได้ถามว่าจำยังไงจาแค่ไหนแค่ไหนนะจาได้วะธรรมะนี้ควรรู้ยิ่งธรรมะนี้ควร กำหนดรู้ธรรมะนี้ควรละธรรมะนี้ควรทําให้แจ้งธรรมะนี้ควรเจริญนี้ทุกขาริยศาสนี้สมุทัยอริยศาสนี้นิโรธอริยศาสนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยศาสสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกสังขารเป็นธรรมะเป็นอนัตตาอันเข้าฟังมาเป็นอย่างดีแล้วก็ติกตามที่ฟังมานั่นแหละอั้นเข้าผ่านการฟังมาแล้ว สา ม, มารถที่จะทรงจําคําสอนเหล่านั้นได้เนี่ยนะขออมานึกถึงพระสูตรสูตรหนึ่งนะว่าคําสอนของพระองค์บางทีก็เหมือนกับกระจกอะที่เอาไว้ส่องคำว่า ง, งานเอาไว้ตรวจสอบอั้นถ้าเราฟังคําสอนในลักษณะนี้แล้วก็เอาคําสอนเนี่ยมาตรวจสอบกับความคิดของเราทํำยังไงความคิดของเราจึงจะเป็นไปกับคําสอนได้มากที่สุดเนี่ยนะที่กล่าวลักษณะนี้เนี่ยนะ แสดงว่าคนนั้นต้องมีธรรมังสรารนังข้าฉามีค่อนข้างมั่นคงเลยนะจึงเชื่อมั่นว่าคำสอนเนี่ยเป็นหนทางแห่งการเจริญกุศลธรรมแต่ถ้าหากว่าขาสศรัทธาในาคำสอนแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ามีอะไรทำมีเจโตขีละธรรมเจโตขีละธรรมมีหอย่างนะตะปูตรึงใจที่ทำให้ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายาม หนึ่งสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยพระพุทธเจ้าสองสงสัยในพระธรรมคือไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมอย่างเต็มที่ไม่มีศรัทธาในคําสอนแล้วก็สงสัยในพระพระสงสงสัยในศีกขาในข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อสุดท้ายมีใจกระด้างกับเพื่อนสะพรงมจารีเนี่ยนะไปโกรธ คนที่ศึกษาคําสอนมาด้วยกันเนี่ยนะเป็นนึกเคืองใครโกรธใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยติร์กธรรมะไปยาก น, ยนะ น, นะไปโกรธใครมาสักคนหนึ่งเขาเขาพูดไม่ดีอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมไปคิดถึงบ่อยๆ อ, อันนั้นเป็นปฏิฆะนิมิตทั้นห้าอย่างนี้เป็นตะปูตรึงใจเพราะฉะนั้นพระอริยส า, าวกเนี่ยท่านไม่มีตะปูตรึงใจทั้งห้าอย่างเหล่านี้ในใจท่านเลยนะเนพราะท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในาพระพุทธเจ้าศรัทธาในาพระธรรมศรัทธาในาพระสงฆ์ศรัทธาในศิก ข, ขา เมื่อการตรึกนะกุศลจิตเป็นไปกับคําสอนมากๆอย่างนี้เป็นเป็นอะไรเป็นศิกขานะถ้าสิ่งที่เขาคิดเป็นไปกับศีลก็เป็นศีลแสิกขาถ้าคิดเป็นไปกับเรื่องของสมถะก็เป็นจิตตสิกขาถ้าคิดเป็นไปกับขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นก็เป็นปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นเขามีศรัทธาในสิกขาสามเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระบอกว่าผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ใช่ไหม ศีลและสิกขาก็คือวินัยธรรมะคือจิตตสิกขาและปัญญาศิกขาผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมะวินัยนี้ก็จะทำที่สุดแห่งกองทุกได้เนี่ยนะทำยังไงว่าเออมีศรัทธาในคำสอนและคิดตามท่านอย่าลืมว่าค่าที่เป็นจริงของเราคืออะไรถ้าจะตรัสรู้ธรรมะได้ก็เป็นสาวกพุทธะหรืออนุพุทธะเนี่ยนะจฐานะที่เป็นจริงของเราให้ได้เนี่ยนะไม่งั้นเราก็ สถานในพระตนะตรายอ่อนเมื่อสถานในพระตนะตรายอ่อนธัมมะเนี่ยคิดต่อไม่ได้เนี่ยนะใหม่ๆอยู่อย่างเงี้ยอาจจะคิดได้มาบวชเอาหิ่งเอามาให้มานั่งคิดเป็นการเป็นงานเลยไปไม่ได้จริงๆเนี่ยนะไม่ให้ทําอย่างอื่นเลยนะะข้าวก็ไม่ต้องหงุดด้วยอ่ะมีคนใส่บาทให้ฉันเบ็ดเร็จ ห, หมดนะหงหาก็ไม่ต้องปลูกวานเนี่ยครัไปกันใหญ่เลยไม่ต้องเลย เสร็จ แ, แล้วบอกว่าที่อยู่ก็ไม่ต้องนะเดี๋ยวโยมทําให้หมดเลยท่านมีหนะ้าที่ไปคิดเรื่องนี้แล้วกันเสร็จ แ, แล้วถ้าหากว่าศรัทธาเป็นต้นเราอ่อนนะมันคิดไม่ได้เดี๋ยวก็นั่งฟุง้งอุทจักก็เข้ามาแล้วนั่งสิบนาทีเนี่ยมันคิดได้ร้อยเรื่องอนะันะนะเพราะว่าอุทจักก็จะเล่นงานถ้าศรัทธาเราอ่อนเพราะฉะนั้นอ่าพื้นฐานของศรัทธาดีก็จะทําให้สามารถทรงจําในคําสอนนั้นๆได้เมื่อ จำคำสอนได้แล้วก็ทํำยังไงที่จะคิดตามคําสอนได้มากเนี่ยนะเอาจิตให้อ่อนตามอะ่ะฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมจิตมีไหมแข็งกระด้างมีไม่มีเนาะฉั้นการเจริญกุศลธรรมจิตต้องเป็นมุทุตากรรมยาตาแล้วก็ปาคุยตาเนี่ยนะจิตต้องเบาต้องคล่องต้องอ่อนต้องควรแก่การงานเนี่ยนะกุศลธรรมจึงจะเป็นไปได้ เมื่อก่อนทั้งสายเขาก็เป็นเหมือนเราเนี่ยนะพอดีตอนนั้นเขาประมาทตอนนี้เราก็ไม่แน่นะถ้าประมาทก็จะไปเป็นเหมือนเหมือนเขาเขาเขาไหนอะยุงนี่แหละกัดเลือเกิน <l ots> แต่ก็ยังว่านะเขายุงนี่กินอย่างอื่นได้ไหมนอกจากเลือดอะมีไหม <l ots> ไปกินอะไรเนี่ยน้ำหวานทั้งสายมันไม่อร่อยเท่าเลือดมั้งนะเอ <l ots> ตัวพูกกินน <l ots> ้ำหวาน อาทีนี้ต่อไปนะมาดูว่าถ้าอริยสาวกท่านมานสิการท่านมนาสิการอย่างไรบกมนาสิการว่าธรรมะที่ไม่ควรมานสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนาสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมานสิการถึงธรรมะได้เหล่าใดกามาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจเริญภวาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญธรรมะเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนานสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนานสิกานถ้าอริยสาวกในท่านฉลาดคิดมากท่านได้รับอารมณ์ก็เหมือนกับเรานั่นแหละแต่แต่ท่านจิตไม่เป็นอกุศลเนไเพราะอะไรเพราะท่านมีวินัยของพระอริย์ตรงที่ตรงคำว่าได้รับคําแนะนนะําน่ยตรงนั้นเป็นชื่อของวินัยนะบาลีเป็นวินีโตวินีโตก็คือมีวินยัย วินัยมีกี่อย่างห้าอย่างหนึ่งหนึ่งสังวรวินัยมีสองอย่างก่อนสังวรวินัยกับปหาณวินัยสังวรวินัยมีห้าอย่างปหาณวินัยมีห้าอย่างอีกเหมือนกันส I mean ังวรวินัยหนึ่งสีลสังวรสองสติสังวรสญยานะสังวรสี่วิริยะสังวรแล้วก็ขันติสังวรสังวรห้า เพราะฉะนั้นท่านรับอารมณ์ใดๆท่านได้ธรรมะหนึ่งอย่างขึ้นมาท่านมีสังวรห้าในอารมณ์นั้นเนี่ยนะแล้วต่อไปท่านไม่ใช่มีแค่สังวรอย่างเดียวใช่ไมยังมีปานะห้าในอารมณ์นั้ น, น, นด้วยเนี่ยนะสามารถทำปหานะให้เกิดปหานะคืออะไรแต่ทางค่าปหานในอารมณ์นั้นวิคัมพะณะปะหานในอารมณ์นั้นได้แล้วก็ถ้าท่านแต่ทางค่าปหานมากขึ้นท่านสามารถทา สมุดเฉทประหารปฏิปัสสทิประหารและนิสรณประหารให้เกิดได้เพราะฉะนั้นอริยสาวกท่านมีวินยัยท่านมีทั้งสังวรวินยัยมีทั้งประหารวินยัยในทุกอารมณ์ที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องอเมื่อท่านมีวินยัยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะท่านเลยไม่มนาสิการสิ่งที่ไม่ควรมานสิการเพราะว่าท่านมานสิการแล้วกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะไม่เกิด นะเพราะอันนี้ขาวนะแสดงว่าดำมันก็ต้องกันข้ามใช่ไหมคือคิดแล้วโลภะเกิดคิดแล้วอวิชชาเกิดอย่างนี้เป็นอะไรทำำําดําไม่ดีอริยาสาวกท่านไม่เป็นอย่างนั้นปุถุชนมีโทษไหมมีโทษนะหรือว่าเออก็อเราเป็นปุถุชนอะ่ะก็คื อ, ค, อคือที่ฟังมาส่วนใหญ่เนี่ยนะแปลกนะเขายินดีนะในความเป็นปุถุชนของเขาเนี่ ย, เ, ยเขาเขาไม่ได้รู้สึกรังเกียจแต่อิจารอะไรเลยนะ เขชอบใจมากเลยนะเวลาไปที่ไหนเนี่ยพูดหน้าชื่นตาบานไอเรามันปุตุชนเขาว่าอ่าหน้าชื่นตาบานเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้สังเวชใจเลยนะในความเป็นปุตุชนว่ายัางต้องเหลียวดูหน้าศาสดา บ, าบา่อยๆยังมีกิเลสอันหนาแน่นแทนที่จะสลดสังเวชกลับไม่หรอกยินรับหน้าชื่นตาบานเรามันเป็นอย่างนี้แหละหลังนั้นโอ้หน่าจเจริญกรุณาให้เนาะ ถ้าเราก็ปุตุชนด้วยก็ต้องเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเพราะว่าที่ไปก็ไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะความเป็นปุตุชนนี่ไม่แน่นะอยู่ๆวันดีคืนดีนี่ลุกขึ้นมาด่าพระพุทธเจ้าเฉยเลยเนั่นนะก็นางจีนจะมานวิกาที่ไปด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเดรัจฉีทั้งหลายเนี่ยนะไม่แน่นะก็อาจจะเป็นญาติเรามา่ก่อนนั่นแหละหรือถ้าพูดในอดีตชาติเนี่ยนะพระโมคคลลานะเนี่ยเคยเกิดเป็นมาร เคยเกิดเป็นมาร น, นะแล้วก็เอาก้อนดินเนี่ยปั้งปลาเนี่ยถูกศีรษะพระ อ, อัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังสารวัตรเนี่ยขนาดพระโมคคัลลานะยังเกิดเกิดเป็นมารเลยเกิดเป็นพยมมารด้วยนะไม่ใช่มารธรรมดาด้วยแล้วก็พยมมารทุกวันเนี่ยเป็นหลานของพระมหาโมคคัลลานะในอดีต นขนาดคน ด, ดีขนาดนั้นยังเคยเกิดเป็นมารเลยในอดีตนั้นไอ้อความที่ที่อยู่ในวัฏะเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะนถ้าหากว่ายินดีในความเป็นปุถุชนเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยอาจจะไปหาเรื่องกับพระอริยะก็ได้นะเมื่อไหร่ที่หาเรื่องกับพระอริยะเจ้าตรงนั้นแหละที่พระจักขุยานพระ อ, องค์บอกเลยว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าสู่อบายทุกขติวินิ บ, บาตนรก นี่เป็นสูตรตายตัวเลยวัางั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นปุตติชนเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ยังยังเป็นโรคบางอย่างซึ่งไข้มันยังไม่หายสนิทอ่ะนะถ้าไปเจอของสแสลงหน่อยเข้าแล้วไข้ขึ้นละปุตุิชนเราก็เป็นอย่างนั้นพอได้ปัจจัยป๊โทสะเกิดได้ปัจจัยก็โลภะเกิดได้ปัจจัยก็โมหะเกิดได้ปัจจัยมิจฉาทิฐิก็จะเกิดขึ้นส่วนธรรมะที่ควรมนัการซึ่งอริยาสาวกมนัสการเป็นอย่างไร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 ใส่เกียร์ถอยได้หรือเปล่าท่านมานสิการอย่างไรท่านมีวินัยใช่ไหมท่านมีวินัยเพราะฉะนั้นท่านสั่งมานสิการตามวินัยที่ท่านมีคือวินัยมีกี่อย่างสองอย่างคือสังวรวินัยกับปหาณวินัยเพราะฉะนั้นท่านใส่ใจตามวินัยที่ท่านรับมาจากพระผู้มีพระภาคที่ท่านเรียนมานะที่ท่านได้สดับมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านจึงฉลาดคิดคิดตามวินัยนั่นแหละ พราะมีแบบฟอร์มให้คิดอยู่แล้ว น, นะซึ่งแบบฟอร์มของวินยัยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าเป็นของเรานะคารวาสก็วินัยของเราคืออะไรกรรมบทส0บอะเนี่ยนะมันเป็นวินัยที่เราจะต้องรักษานะถ้าถ้ากุศลกรรมบทไม่สา ม, มารถรักษาได้เนี่ยลำบากแล้วนะแสดงว่ามนุษยธรรมเราไม่มี ถ้ากุศลกรรมมาบดรักษาไม่ได้นะมนุษยธรรมไม่มีเมื่อมนุษยธรรมไม่มีอบายก็หวังได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมในพระสูตรเลยลสูตรที่พระองค์บอกว่าสัตว์ที่ไปอบายเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะที่ไปสุขติเหมือนกับฝุ่นในเล็บอะเพราะวันนี้เนี่ยโหเห็นมุดเยอะจริงๆเลยนะตายบนหัวนอนเลยครับ เ, เรีอมตาดูโหทำไมเยอะขนาดนี้ นะตัวนี้มดดําๆอะ่ะมันมันไม่กัดหรอกแต่ว่ามันเยอะจริงๆบางทีเราพลิกไ อ, ไอ้พรมน้ำมันเนี่ยนะเสือน้ํามันเนี่ยพลิกปุ๊บโอในนั้นเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไร่โอ้ศาตร์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเลยเราเองถ้าคิดกุศลจิตกุศลจิตเกิดอ่อนๆเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้พ้นจากสภาพแบบนั้นเลยเนี่ยนะเจตนาของเราเนี่ยนะเราลืมเขานะเราปล่อยปละละเลยความคิดเราขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ความคิดนั้นอ่ะจะไม่ลืมนะี่ เพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยนะเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเขาหมดไปเนี่ยนะเขาสามารถเป็นอุปนิสัยเนี่ยนะเจตนาตัวนั้นเป็นนานาขากนิกรกรรมปัจจัยจิตเจตสิกที่เหลือเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยปละละเลยความคิดเราขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ความคิดนั้นจะไม่ลืมเราเลยนะได้ปัจจัยก็มาได้ปัจจัยก็มาได้ปัจจัยก็มาเพราะฉะนั้น พระอริยาสาวกท่านก็มานัิการตามคําสอนถ้ามานัิการตามคําสอนเนี่ยนะเป็นการแก้ปัญหาชีวิตในระยะยาวที่สุดเลยเนี่ยนะแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบวิธีอื่นเนี่ยนะก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะรายวันเนี่ยนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแก้ไปแก้มาปัญหามันไอ้ที่แก้นั่นแหละมันมาทับอีกทุกเลยครับ น, นี้แต่ว่าการปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยนะช่วงใหม่ๆก็จะหนักบ้างแต่ก็นานๆเข้า ก, ก็ไม่เป็นไร แต่คอ้รู้เธอว่าถ้าศึกษาคำสอนแล้วจิตเครียดวิตกกังวลนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปบาปนะสาธุเปลี่ยงมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดแบบนี้มากบาปมากคิดน้อยบาปน้อยหรือไม่สนใจเลยโมหะไปอีกอะไรไม่สนใจเลยก็โมหะไงคือถามว่าที่จริงควรเป็นยังไงควรทำยังไงเนี่ยสูตรเขาบอกว่าควรมานาสิการ ถ้ามนาศิการแล้วอาสะวะมันเกิดไม่ควรมนาศิการมนาศิการอย่างไรอาสะวะไม่เกิดอย่างนั้นแหละควรมนาศิการไม่ใช่ไม่ให้คิดอะไรเลยนะนั่งซึมซึเซ่ซซอเเบือเบือไปงั้นแหะอย่างนั้ น, น, งงนโมหะทั้งนั้นแหละโมหะบริสุทธ์ด้วยนะกุศลไม่มีเจือเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่กุศลจิตจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยที่สําคัญค่อนข้างมากทั้งฟังทั้งทรงจํา ถ้าหากก็ฟังแล้วทรงจําแล้วไม่มานาสิการนี่ก็แสดงว่าเต็มทีแล้วละ่ะเนี่ยนะแต่ปัญหาชั้นต้นเลยเนี่ยนะเท่าที่สังเกตดูก็คือไม่สามารถทรงจําได้เนี่ยนะปัญหาแรกหลักๆเลยเนี่ยนะถึงจําได้ก็จําไม่เป็นระบบอะไรสักอย่างเนี่ยนะจําเบี้ยวหัวแตกรู้นั้นนิดรู้นี่หน่อยมันก็ฟังแล้วมันรู้ไปทุกเรื่องวันนี้ฟังเรื่องอะไรอริยสัต์เงียกลับไปยิ้มแต่เลยมันเป็นยังไงเงีย ก็เ อ, เอาเป็นการเป็นงานไม่ได้งั้นก็แต่ก็ฟังรู้ผิด ร, รู้ถูกรู้ถูกก็ยังดีก่อเนอนะในชั้นต้นก็มีติดตั้งเครื่องคัดข้อมูลก่อนว่าอะไรเป็นข้อมูลที่ควรควรรับไม่ควรรับเป็นต้นเนี่ยก็กดีแล้วละแต่ทีนี้ก็ในชั้นต่อไปก็ควรที่จะทรงจาให้ได้นะถ้าสามารถทรงจาได้ก็สามารถที่จะเอาไปตรึกได้เพราะว่าการการศึกษาพระธรรมนั้นวิชาพระธรรมไม่เหมือนกับวิชาอย่างอื่น คือที่สุดของของชีวิตเนี่ยนะโดยเพศเนี่ยนะมันก็คือนักบวชละเป็นนักบวชก็คือออกมาบวชบวชแล้วมาทํำยังไงก็มานั่งอยู่อย่างนี้แหละนั่งทําอะไรอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สุดก็มานั่งเฉยๆนั่นแหละอาชีพที่อีพนักบวชนะคืออาชีพนั่งเฉยๆแต่ถ้าไม่ดีนะโมหะนะเพราะเพราะอะไรวินัยส่วนใหญ่เนี่ยห้ามทํางานหลายสิบเรื่องใี่ห้ามทํานะ ทำแล้วถ้าทํางานอันนี้เป็นอาบัติอันนี้ถ้าทําอันนี้เป็นอาบัตินั้นทำอันนั้นเป็นอาบัตินั้นนะอยู่ๆขยันมากไม่ได้นะพระเนี่ยก็คือสรุปแล้วให้ยืนเดินนั่งไม่ให้ไปขยับทําอะไรมากนักหรอกถามว่าเอาที่เหลือไปคิดอะไรเนี่ยนะถ้าจําคําสอนไม่ได้เลยนะมันมันอ ย, อยู่ในเพศพระเนี่ยทุกข์เหมือนกันนะใครใครกุศ ล, ลจิตถ้ากุศ ล, ลจิตไม่ค่อยเกิดเนี่ยเนวะโอ้ ย, โ, ยโลกนี้มันคับแคบมันทุกข์จริงๆเลยนะ นะถ้าถ้ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยมันจะไปร้องเพลงก็ไม่ได้ใช่ไหมมันอึดอัดนี่ไปสวดมนต์อย่างเดียวอย่างมากก็สวดมนต์ทำไงอ่ะโอ้ถ้ามันเครียดหรือว่าถ้ากุศลจิตไม่ไม่เกิดอย่างต่อเนื่องเนี่เป็นแพทย์ที่ทุกข์เหมือนกันเห็นไหมมันไม่จะไประบายให้ใครฟังเพราะมีแต่คนระบายความทุกข์ให้พระฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยพระเขาไปหาจิตแพทย์นะตอนหลังเนี่ยทุกข์มากๆก็ไปหาจิตแพทย์ บอกว่าช่วงไหนจะสอบเยอะเนี่ยพาไปหาจิตแพทย์มากช่วงไหนจะสอบเนี่ยนะเพราะอะไเพราะมันเครียดก็กลําบากเหมือนกันนะฉันชีวิตถ้าหากว่าขาดขาดวินยัยสักอย่างเนี่ยนะหมดเลยวินัยมีกี่อย่างนะครับหมสองอย่างหนึ่งสังวรวินยัยสองทหารวินยัยสังวรวินัยมีกี่อย่างห้าอย่างหนึ่งศีลสังวรสองสติสังวรสาม ญานสังวรสีวิริยะสังวรห้าขันติสังวรวินัยมีเท่าไหร่ปะหะนะปะหานะมี5้หนึ่งตทางข้าประหารสองวิขำพะนะประหาร3สมุตเชทดประหาร4ปฏิปัสสัตที่หมายถึงอริยผลนะปฏิปัสสัตที่ประหารและนิสรณะเป็นชื่อของนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี่ฟังคําว่าสังวรเนี่ยนะ เเป็นพระต้องสังวรนะฟังแล้วก็สังวรยังไงทีนี้ก็ไม่ได้รับคําชี้แจงต้องมาอาศัยพระสูตรนี่นะอาศัยสัพพาสวะสังวรสูตรนี้ทําให้เข้าใจคําว่าสังวรนะควรสังวรนะให้สังวรของเราก็คือเอ๊ลืมตามมองเรียกว่าอะไรนะทอสายตาลงให้ต่ําเรารู้สังวรอยู่เท่านั้นแหละทางหูนี่นะทางตาสังวรทางหูเช่นก็อย่าไปฟังบางอย่างเออนี่สังวรเราละ สังวรเราเนี่ยคับแคบจริงๆเลยนะเต้นมากแต่สังวรของท่านเนี่ยสังวรสองนั่นแหละสังวรหนันหะถ้าเป็นวินัยเนี่ยวินัยสองเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกท่านมีวินัยทั้งสังวรวินัยและปะหานวินัยในจิตต้องรู้อารมณ์ใช่ไหมเมื่อไรที่รับรู้อารมณ์แล้วมีสังวรวินัยมีปานนาวินัยใส่เข้าไปได้นั่นแหละเมื่อ น, นั้นแหละจะเริ่มเข้าใจ คำสอนนั่นแหะแสดงว่าไ ด, ได้ได้ทำกิจในการเจริญกุศลธรรมนั่นแหะแต่ถ้าหากว่าเจริญกุศลธรรมไม่สามารถเรียนรู้ขนาดนั้นได้เนี่ยลำบากแล้วนะในการศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะศึกษาอยู่บนพื้นฐานที่เชิงเชิงนักตรึกเชื่อมข้อมูลใชยเฉยแต่ว่าในชั้นการเอามาใช้เนี่ยอ่อนมากแต่ว่าเมื่อได้รับอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วนึกถึงสังวรกับปหานะได้เนี่ยนแล้วเอาคําสอนเหล่านี้วิเคราะห์ วิจัยในทุกๆอารมณ์ได้นั่นแหละเรียกว่าเราได้สามารถเจริญกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะสังวรลักษณะนี้ได้ปหาละแบบนี้ได้คนนั้นเนี่ยนะจิตเนี่ยนะนะสุจริตค่อนข้างมั่นคงพอสมควรเพรางั้นจะทั้งสุจริตใจในทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอาริยสาวกนั้นมนานสิการในลักษณะนี้แหละอาสวะ นะทั้งที่เป็นการมาสะวะภาวาสะวะและอวิชาสะวะก็ไม่เกิดอริยาสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่าเนี่ยนะวิธีมนสิการของท่านนะมนสิการแบบนี้นะแบบข้อยี่สิบเอดเรียกอะไรนะเรียกว่ายาณสังวรเนี่ยนะว่ามนสิการยังไงมนสิการวันนี้ทุกหมายเขาแปลว่าสภาวะที่ทนได้ยากทุกเนี่ยนะเห็นไหมทุกทาไม ทำไมไม่เอากอไก่ไว้เฉยๆเอาขอไข่มาใส่ว่าทําอะไรทุกเนี่ยนะมาแยกสองสับนะทุกคือทอทหารสาอุเนี่ยแปลว่าทุกแปลว่าไม่ดีน่าเกลียดยกตัวอย่างเราบอกว่าทุกปุตโตเย่างี้โก็ลูกน่าเกลียดนะกันแล้วขอไข่ตัวหลังเนี่ยการันเนี่ยนะเขามีเคยเห็นสร ะ, ะเลขศูนมาห้อยข้างบนไหม เ, เรียกขัง ขังตัวนั้นก็บอกว่าเหมือนอากาศนะ่ะมันว่างมันเปล่าว่า ง, งั้นเถอกะกอไก่เนี่ยซ้อนเข้ามาก็เลยอ่านว่าทุกขังภาษาบาลีว่าทุกขังนะทุกขะหรือทุกขังนะภาษาไทยก็อ่านทุกเฉยๆอั้นทุกอันนี้องค์ธรรมได้แก่อะไรองค์ธรรมได้แก่อุปาทานขันห้าเห็นไหมตัวอุปาทานขันห้าท่านมานสิการมานี้ทุกน้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขานิโรทาคามินีปฏิปทาเมื่ออริยส า, าวกนั้นมนุิยการโดยแยบคาอย่างนี้สังโยธาสามคือสากายธิทิวิจิกิชาเสและพะตะปรามมาทย่อมสิ้นไปนะเมื่อท่านใส่ใจในอริยสัจมากมากเนี่ยนะแต่ว่าเฉพาะตรงนี้เนี่ยนะเาเรียกว่าเอกปฏิเวทยานแทงตลอดโดยครั้งเดียวนั่นแหละ เท่ากับแทงตลอดทั้งสยานเลยเนี่ยจึงจะละไอเกเลตสามตัวนี้ได้จึงจะละสากายยทิธิวิจิิจชาและเีลภัตตปรามาตได้ทีนี้มาดูข้อความที่ในอัตถกถาท่านอธิบายนะ ที่ว่าข้อว่าโสอีทางทุกขันติโยนิโสมณัสิกาโรติดังนี้เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะมีการบรรยายความไว้ชัดเจนดังต่อไปนี้น่นะวิธีที่อัตถกถาท่านอธิบายว่าอาริยสาวกผู้เจริญกรรมฐานในอริยสัจสี่นั้นเนนะเออเพราะว่าเราเคยได้ยินนะว่าวิปัส อ, อริยสัจก็เป็นเป็นวิปัสนาภูมิด้วยเนาะ วิปัสนาภูมิคือ 1. เคยได้ยินนะขัน 2. ทธาตุอายตนะสัจจะเนี่ยอริยสัจอินรี์ปฏิจจะและบางทีก็บอกว่าอาหารด้วยนะมีอาหารเป็นต้นอีกนะยังมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเยอะก็บอกว่าชั้นแรกทีเดียวหัว ง, ง้นถ้าใครจะเจริญกรรมฐานแบบอริยสัจเนี่ยนะต้องเรียนกรรมฐานประกอบด้วย<ม>สัจจะส ในสํานักของอาจารย์อย่างนี้ว่าอ่าท่านให้วิธีในคร่าวๆนะที่แรกเราเนี่ยมานําเกิดนะอา้าวต้องไปหาอาจารย์ทําอะไรนี่ก็เจอข้อความแล้วก็ไปทําตามนี้แล้วก็ง่ายดีออก <c oughs> <c oughs> นั่นนะเออเนาะอคุสนเกิดเป็นลักษณะนี้เองมันก็คือต้องที่ว่าอาศัยอาจารย์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าฟังข้อความแค่แค่นี้เนี่ยนะเอาไปปฏิบัติทํำยังไงเนะ ปฏิบัติตามยังเอเียกว่าปฏิบัติยังไม่ได้หรอกเพราะในเรื่องเดียวนั้นมีรายละเอียดมากมายแล้วบอกว่าย่อๆก่อนว่าขันที่เป็นไปในภูมิสามชื่อว่าเป็นทุกขันที่เป็นไปในภูมิสามเนี่ยนะถ้ารูปขันหเป็นไปในกามภูมิและรูปภูมิ ขันเดียวในอสัญญาสตาภูมิขันสี่มีในอรู ป, ปรภูมิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าขันรูปเท่าไหร่ถ้าได้รูปเท่าไหรล่ละเท่ากับรูป28เนี่ยนะรูปประขันเนี่ยยีเท่ากับรูป28แปดและรูป28เนี่ยมาขยายเป็นอดีตนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นต้นต่อไปเวทนาได้แก่ โลกิยะเวทนา81สัญญาได้แก่สัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกิยาจิต81เจตสิกที่เหลือที่เกิดร่วมกับโลกิยาจิต81ชื่อว่าสังขารและก็โลกิยาจิต8ปชื่อว่าวิญญาณเนี่ยนะทั้งหมดนี้เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะโทษคือตัณหา ตันหาชื่อว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ตัวตันหานี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งอุปาทานขันห้าที่เป็นภายในภูมิสามคือยกตันหาที่จริงแล้วเหตุแห่งทุกเนี่ยมีตันหาอย่างเดียวไหมอะไรบ้างที่เป็นเหตุแห่งทุกอย่างอื่นโทสะก็เป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยเทิก็เป็นเหตุแห่งทุกขมานะก็เป็นเหตุแห่งทุกอวิชาก็เป็นเหตุแห่ง แต่ว่าเหตุเหล่านั้นไม่หนักหนาะสาหัสเหมือนกับตันหาเพราะอะไรเพราะตันหามันยินดีในทุกอ่ะถ้าทิฏฐิบางทีมันก็ไปเห็นผิดใช่ไหมโทสะบางทีก็ไม่ไม่ชอบในทุกอันนั้นเลยแต่ถ้าตันหาไม่ใช่อย่างนั้นตันหามันเข้าไปเพลิดเพลินเลยนะเข้าไปปรารถนาเข้าไปต้องการเข้าไปอยากได้ทุกอันนั้นแหละเพรา ะ, ะนั้นตันหาเหล่านั้นจึงเป็นเหตุแห่งแห่งทุกอตันหาเป็นเหตุแห่งทุกโดยปัจจัยใด ในปัจจัยยี่สี่เหตุปัจจัยหรือเปล่าปัจจัยไหนตันหาเป็นเหตุแห่งทุกโดยอุปนิสยปัจจัยเนี่ยนะปกตูปนิสยปัจจัยเพราะนั้นก็ต้องรู้ว่าเออตันหาเนี่ยนะเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่ทุกเนี่ยนะะถ้าเราเรียนปฏิจจสมุป บ, บาทมาแล้วเราจะรู้ว่าตันหาอุปาทานพบ สังขารอาวิชชาห้าคำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นธรรมะฝ่ายเหตุดงนั้นผลของเขาคืออะไรผลของเขาก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษะและเวทนาอ่านะอวิชชาสังขารตันหาอุปาทานพบห้าคำนี้สายสมุทัยเนะี่ยนะทิศสายเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดเลยและก็ตัวทุกข์ก็คือตัว วิญญาณนามรูปสลายตนะภษะัษาและเวทนาอันนั้นเป็นผลในสายผลสายเหตุห้าสายผลหาอันในเหตุทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะตามเหตุที่จะปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปที่มีกำลังมากก็คือตัวตัวตันหาแต่ชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าไล่ตามปฏิจจสมุปบาทเกิดมาจากอาวิชชามีาวิชาเป็นเครื่องกางกั้นปกปิดให้มีชีวิตมาเป็นแบบนี้ แต่ชีวิตที่จะดําเนินต่อไปข้างหน้ามียวิชาเป็นเป็นมูลนะมียวิชาเป็นศีรษะวังเออมีตันหาเป็นศีษะมีตันหาเนี่ยเป็นหลักใหญ่มากเลยนะเพราะเราเพลิดเพลินในทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเพลิดเพลินไ อ, อตัวความเพลิดเพลนินนั่นแหละเป็นเหตุแห่งวัาตทุกข์ทั้งหมดเลยความไม่เป็นตายแห่งทุกขและทุกขสมุทัยทั้งสองชื่อว่านิโรธ เนี่ยนะเออถ้าอย่างไงไอ้หมดไอ้ตันหาวิชาแล้วก็หมดทุกนิโรธน่าสนใจนะเสร็จแล้วก็ทางให้ถึงความดับชื่อว่ามาักบางแห่งนี้ท่านอุปมาเรื่องอริยสัจเนี่ยนะบอกว่าทุกเนี่ยเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสมุทัยเหมือนอะไรเหมือนสมุทฐานแห่งโรค <c oughs> นี่นะไอ้ความไข้เนี่ยคือทุกอะ นะเหมือนทุกสัตว์เหตุแห่งความป่วยไข่อันนั้นหรือสมุธฐานแห่งความป่วยอันนั้นเรียกว่าเหมือนกับสมุทัยสัตว์ไม่มีสมุธฐานแล้วหมดโรคเป็นนิโรสัตยานะนะนะนะที่รับประทานเข้าไปเพื่อบำบัดสมุธฐานหมดโรคอันนั้นเป็นเหมือนกับมรรษัตทนะนะมันก็ ทีนี้ก็เรียนมาคร่าวๆก่อนแสดงว่าท่านให้ในไว้นะเพราะว่าเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยไปดูเธอในสัจจะวิพังละเอียดละเอียดนะแล้วก็ในสัจจะสังยุตก็ละเอียดแล้วก็ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะสัจจะนิเทศก็ละเอียดอันในในหลายๆแห่งในเรื่องอริยศาสตร์แต่ตรงนี้เฉพาะกล่าวคร่าวๆทีนี้สมัยต่อมาสมัยต่อมา เธอก้าวขึ้นสู่ทางแห่งวิปัสนาย่อมใส่ใจถึงขันอันเป็นไปในภูมิสามเหล่านั้นโดยแยบขายว่านี้เป็นทุกข์เนี่ยนะขันที่เป็นไปในภูมิสามอ่ะนะเราก็มานนั่งไล่ไล่ไล่ดูในชีวิตของเราว่าเออขันที่เป็นไปในภูมิสามมีอะไรบ้างเชื่อไหมว่าเนี่ยความใสของตาที่สามารถรับเห็นเนี่ยอันนี้ก็ทุกขน์นะ สีที่เห็นทั้งหมดก็ทุกจิตเห็นก็ทุกภาษเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นก็เป็นเป็นทุกด้วยเนี่ยนะกอ น, นี้ก็เป็นภาษะที่เป็นภายในอ่ขันห้าที่เป็นไปในการมาภูมินะหูเสียงโสตาวิญญาณภาษาเวทนาอันนี้ก็เป็นทุกที่เป็นภายในขันที่เป็นไปในการมาภูมิอ่าพระองค์แสดงนะที่จริงพระองค์พูดถึงว่า อาศัยจากขู่และรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะคำตรงนี้พระองคแสดงขันห้าไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพระตากับสีเป็นรูปขันจากขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันภาษะเป็นสังขารขันภาษะโดยที่ไม่เกิดสัญญาได้ไหมไม่ได้นะเพราะสัญญานั้นเป็นสัญญาขันนั่นนะ เพราะฉะนั้นขันท่าก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละและการการเห็นเนี่ยนะการเกิดขึ้นของขันท่าไม่ใช่เฉพาทะทวารเดียวใช่ไหมทางตาเพียงแั่เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางทางใจมีอยู่เท่านี้เหร อ, อดีตด้วยเนะอดีตก็ได้ปัจจัยก็เป็นแบบนี้แหละอนาคตที่จะมีก็ได้ปัจจัยก็เป็นแบบนี้แหละ ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่วิธีแสดงอีกนัยหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเป็นที่น่าสังเกตน ะ, ะพระองค์จะแสดงในลักษณะว่าอย่างวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าแม้ในอดีตการ สังขารอาวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยแม้ในอนาคตการสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณหรือว่าวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยแม้ในปัจจุบันการวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยนะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันก่อนคือตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคือคนเราเนี่ยนะปัญหาเฉพาะหน้ามันจะมีอคตินั่นนะ จะมีอคติกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นเลยนะเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าเรื่องนั้นถ้าเกิดในอดีตนะพูดถึงเรื่องนั้นด้วยหัวเราะแห่ๆเลยนะพูดแบบขำๆเลยในเรื่องในอดีตแต่ว่าตอนที่ประสบกับตอนหน้าจริงๆเนี่ยเป็นยังไงหน้าดําคําเครียดเลยเนี่ยนะขำไม่ออกสักอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นมองอดีตมองอนาคตแล้วจึงจะมองปัจจุบันด้วยสายตาที่เป็นเป็นธรรมขึ้นเนี่ยนะโดยโดยสายตาที่เป็นธรรม แต่ถ้าเอาปัจจุบันอย่างเดียวเลยนะาบางทีเนี่ยจะมีอคติทีนี้คนที่มีอคติบางทีไม่รู้ตัวหรอกนะคนที่มานะมากๆนะเราไปบอกว่าเขามีมานะนะเข า, อ ย, าอย่าคิดว่าเขายอมนะมานะได้ยังไงอย่างนั้นนั่นแหละมันยิ่งยิ่งเข้าไปเพิ่มดีกรี ม, มานะนะก็เหมือนกับไฟกําลังลุกไฟกําลังลุกแล้วใส่ฟืนเข้าไปอีกนะยิ่งลุกยิ่งลุกยิ่งลุกเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะก็เหมือนกันนะ อย่างบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่ในบางทีเนี่ยโกรธ จ, จนหน้าดําหน้าแดงแล้วบอกยังว่าเงินกัดฟันกรอดกรอดยังยังไม่โกรธเขว่าเงินคือไอโกรธของเขาคือยังไม่ถึงกับด่าอะไนะยังไม่ถึงกับด่าว่างั้นแต่ว่าโทรศัพนี่มันเผาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอพอใส่ใจในลักษณะนี้แล้วก็ย่อมรำพึงและพิจารณาเห็นแจ้งโดยอุบายคือโดย ถูกทางนะตรึกในเรื่องนี้เนี่ยนะใส่ใจว่าเออเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกนะก็ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิปัสสนาโดยยกมณสิการเป็นสำคัญทีเดียวจนถึงโสดาปติมัคเออนะการแสดงวิปัสสนาเนี่ยนะเราเห็นว่าในในมหากุศลจิตเนี่ยนะบางทียกเจตสิกตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นขึ้นมาเป็นประธานในการแสดงวิปัสสนาก็ได้นะไม่ได้ยกปัญญาอย่างเดียวเลยนะ เฉพาะในในสูตรเนี่ยพระองค์เน้นมนุิการเน้นมนุิการเนี่ยนะบางสูตรเนี่ยเน้นวิตกะบางสูตรเนี่ยเน้นจิตเนี่ยนะบางสูตรเน้นวิตกะในวิตกะสูตรบางสูตรเน้นจิตในจินตสูตรอย่างเงี้ยเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเน้นการเน้นกุศลธรรมในการเจริญวิปัสสนามไม่ได้เน้นตัวใดตัวหนึ่งจนเกินไปนะบางทีก็เน้นวิริยะมันตามแต่อัธยาศัยของของผู้ฟังด้วย แต่ให้รู้เธอว่าในในแต่ละอย่างเหล่านั้นก็สรุปและเป็นกุศลทั้งหมดนั่นแหละทีนี้ต่อไปว่าพโยคาวจรย่อมสายใจโดยแย บ, บขายว่าก็ตันหานี้ใดเป็นสมุธฐานคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละตันหา น, านี้นั้นชื่อว่าสมุทยัพยพโยคาวจรย่อมสายใจโดยแย บ, บขายว่าก็เพราะทุกนี้ด้วยทั้งสมุธฐานนี้ด้วย ครั้นมาถึงฐานะนี้แล้วย่อมดับคือไม่เป็นไปฉะนั้นฐานะนี้จึงเชื่อว่านิพพานนี่แลชื่อว่าทุกข์นิโรธนะตัณหากับทุกเนี่ยนะพอไปถึงฐานะนั้นอ่ะหมดเลยฐานะนั้นอยู่ตรงไหนเนะียเคยเห็นไหมโซดาบันนะเออคุณนภาบอกว่าโสดาบันนะฐานะนั้นเนี่ยต้องระดับโสดาบันจึงจะมองเห็นนะเนะอย่างนี้ก็ยังดี แต่ไปจินตนาการวนะ่าโอ้มันจะเป็นสภาวะแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยนะมัน ว, า ว, า ว, าว่างๆหรือเปล่าโล่งๆหรือเปล่าเตียนๆสรุปแล้วไอ้ที่เราคิดนะไม่มีถูกสักอย่างเลยนะยิ่งคิดยิ่งไกลสภาวะแห่งนิพานเนี่ยนะถ้าอยู่ๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ตรึกเรื่องขันห้ามากๆนะยิ่งคิดถึงเรื่องของนิพานเท่าไรยิ่งไกลเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือใส่ใจในทุกกระสมุนไทยให้มากๆ นี่ทุกนี้สมุทยัยนี้ทุกนี้สมุทยัยเหมือนกับคนป่วยเนี่ยน ะ, ะถ้าไม่เคยหายคือเกิดมาป่วยตลอดเลยนะเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีนะไอความหายจากโรคแบบนี้เนี่ยนะมันคิดไม่ถูกแล้วว่าหายโรคมันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าถ้าจะพูดถึงคว า, ความหายทุกเนี่ยของเขาก็ต้องใส่ใจว่าโรคอันนี้เกิดจากไข่อันนี้โรคนี้เกิดจากสมุทฐานอันนี้นึกถึงยาที่เข้าไปทาลายสมุทฐานนั้น ถ้าสมุทฐานหมดเท่าไหร่เนี่ยนะไอความไข้มันก็จะลดเท่านั้นแหละจนกว่าจะถึงว่าหมดไข่เลยนะหมดสมุทฐานเลยนั่นแหละหายหายไข่มันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้คนไข้มันคิดไม่ถูกหรอกว่าเอ้ยหายมันเป็นยังไงเนี่ยนะอย่างมากก่็ น, นึกว่าเบาบางว่าช่วงที่มหากุศลจิตเกิดก็เป็นวิขำพะณะนิโรธนะมันเบาๆหน่อยบางๆหน่อยก็กอย่างดีนะขณะที่กุศลจิตเกิด แต่ถ้าหากว่าเราจะรู้จักนิโรธโดยระดับโลกิยะเนี่ยนะผู้นั้นต้องไล่ระดับอุทยพยญ า, าเนี่ยนะจึงจะเข้าใจนิโรธสัตว์โดยโลกิยะเป็นอย่างดีว่ายกตัวอย่างว่าตัณหาอาวิชชากรรมภาษะหรือนามรูปเนี่ยนะอาหารเนี่ยเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันห้าถ้าหมดไอ้ปัจจัยอันนี้ทุกอันนี้ก็ไม่เกิดนั่นแหละเป็นนิโรธ มันก็ได้แต่อนุมานได้เท่านั้นนะ่ะนี่ในระดับโลกิยะแต่ถ้าในระดับโลกุตระเนี่ยคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เราคิดนะทิ้งขันห้าไปนานแล้วไม่ได้ทิ้งสมมติว่าถ้าพูดถึงหายโรคเนี่ยนะสมมติว่าอันนี้ผ่านเหมือนกับหายโรคต้องคิดถึงไอ้ความไข้กับเหตุแห่งความไข่ใส่ใจสองตัวนี้มากมากว่าหายโรคมันหายจากพวกนี้แหละ ถ้าเราไปคิดที่อื่นเนี่ยนะยิ่งไกลไปเรื่อยไกลไกลๆๆแล้ ว, ล ว, ลวนานๆเข้ามันจะสุดกูแล้วนะเรียกคืนไม่มาแล้วก็เป็นทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเลยเนี่ยนะมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะมันว่า ง, า ง, า ง, งๆโล่งๆเงียบสงบมากเลยบางคนก็เมืองแก้วเมืองเพชรเมืองพลอยเมืองอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยแล้วคนี้เนี่ยนะยิ่งจะห่างความจริงในในคาสอนอย่ย น, น เพราะฉะนั้นพโยขาวาจรย่อมสายใจโดยแยบขายถึงมักมีองแปดอันเป็นเหตุถึงนิโรธว่านี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์คือย่อมพิจารณาและย่อมเห็นแจ้งโดยอุบายคือโดยถูกทางเนีย่ยนะต้องคิดให้มันถูกทางนะตาถามว่าคิดยังไงให้มันถูกทางในข้อนั้นมีอุบายกำหนดดังนี้อ่เขาบอกว่าไม่ต้องหนักใจนะเพราะงั้นท่านมีอธิบายอีก เชื่อว่าความยึดมั่นย่อมมีในวตตหามีในวิวัตะไม่วตตคือวัตตได้กี่สัจจะสองสัจจะคือทุกข์กับสมุทัยอวิวัตตเนี่ยนะมีสองสัจจะคือนิโรธกับมรรคนั้นเพราะฉะนั้นไออุปาทานเนี่ยนะมันมีเฉพาะในทุกข์กับในสมุทัยหรือในวัตตเท่านั้นไม่มีในวิวัตะ ฉะนั้นพะระโยคาวจอนกาหนดภูตรูป 4, สีตต่โดยสันตติของตนท่านใช้คําว่าโดยสันตติของตนเป็นยังไงสันตติสันตติปแปล ว, ว่าสืบเนื่องมีกี่อย่างสันตติของมหาภูตรูปมีกี่อย่างเนี่ยนะลองดูสิว่าเราฟังอย่างนี้เข้าแล้วเราจะนึกถึงวิชาที่เราเรียนออกหรือเปล่าพูดมาจนโปรุห ม, มแล้วเน่นะเท่าเออฉเฉลยปุ๊บเนี่ยอ๋อ มหาภูตารูปในสันตติสี่คืออะไรแปรเปลี่ยนจำนวนเท่านั้นเองเนาะมหาภูตรูปโดยสมุฐานสี่สันตติคือสันตติของจิตตสมุฐานอุตุอาหารและกรรมเพราะฉะนั้นสันติในทีนี้ก็คือสมุฐานสี่ก็กล่าวถึงกําหนดภูตรูปในสมุฐานสี่ของตนโดยนัยเป็นต้นว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุ วาโยธาตเตโชธาตมีอยู่ในกายนี้นะคือท่านเน้นพิเศษนะใ ห, ให้พยายามปรารบธาตุสี่ที่มีอยู่ในในกายของเรานี่แหละและกำหนดอุปาทายรูปตามทํานองแห่งภูตรูปนั้นแล้วกำหนดว่านน้ร ป, ปขันยกตัวอย่างว่ามหาภูตรูปเนี่ยนะปฐวีธาตุมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะแคนแข็ง อาปโปธาตมีลักษณะเอิบอาบเตโชธาตมีลักษณะร้อนหรือเย็น น, นนะวายโยธาตพัดไปมาในในธาตสีเนี่ยนะธาตสีเนี่ยน ะ, ะเป็นประธานเรียกว่าเป็นมหาพูดเนี่ยเพราะมันเป็นประธานของรูปที่เหลือทั้งหมดเลยมาพุรูปเห็นได้ไหม เห็นได้ไหมรู้ได้ทางกายอยางเงยคือมหาภูตรูปเนี่ยนะมันมีสีอาศัยมหาภูตรูปอยู่เรียกว่าสีอันนี้รู้ได้ทางจักรคุป萨ธ า, ามหาภูตรูปนั้นอะ่ะมีกลิ่นอยู่ด้วยนะที่จริงถามว่าสีคือสีสีของอะไรก็สีของมหาภูตรูปนั่นแหละกลิ่นเนี่ยกลิ่นของอะไรกลิ่นของมหาภูตารูปนั่นแหละ นั้นเวลาเราได้กลิ่นเนี่ยนะมีมหาภูตรูปอยู่ด้วยในนั้นนะสีที่เห็นเนี่ยนะยกตัวอย่างในในสีที่เราเห็นแหละอย่างยกตัวอย่างสีเล็บอย่างเงี้ยอ่ะก่อนที่จะมาเป็นสีของเล็บเนี่ยนะเพราะเบื้องหลังของสีอันนี้คือมหาภูตรูปสีเนี่ยนะธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าธาตุทั้งสี่นั้นเนี่ยนะเป็นรูปที่กระทบได้ทางกาย และรู้ต่อได้ทางใจแต่ไม่ได้เป็นรูปที่รู้ทางตาแต่อาศัยตาแล้วทําให้รู้หมหาภูตรูปต่อไปได้ไหมท่านยกตัวอย่างนะท่านบอกว่าเหมือนกับคนเดินทางกันดารเข้าไปในป่า น, นี่นะเสร็จแล้วเขาเอาเอาใบตานเนี่ยมาแขวนไว้ข้างๆทา ง, างคือสั ญ, ญลักษณ์อันนี้คนเดินป่านี่รู้ทันทีเลย ว, ว่าข้างหน้ามีน้ำนะเขาเหมือนกับติดป้ายประกาศเนี่ยนะน้ําอยู่ตรงนั้นนะเป็นลูกศรว่านะมีน้ํำนะอย่างเงี้ย ถามว่าเขาเห็นป้ายเห็นใบาตานปั๊บเขานึกออกไหมว่าข้างหน้ามีน้ําสามารถนึกได้น ะ, ะชันใดเมื่อจักขูทวารวิถีเกิดขึ้นเนี่ยนะมองเห็นสีที่จริงเฉพาะสีอย่างเดียวเสร็จแล้วมโนทวารวิถีก็สามารถที่จะมนานสิการถึงปัทวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุข้างหลังนั้นเลยไม่ต้องให้รอมากระทบหรอกเนี่ยนะไม่ต้องให้มากระทบกายก่อนเนี่ยนะเพราะงั้นการในการพิจารณา พี่สามารถพิจารณาต่อไปได้เลยในอัทธสานิยนนะอัตตถามหากล่าวถึงเรื่องของมหากรุสเนี่ยท่านอธิบายเรื่องนี้เลยนะเนี่ยนะเพราะว่าในการคิดนึกตามนั้นน่ะเป็นได้ทั้งทามศีลและภาวนาด้วยฉงนั้นการพิจารณาตรงนี้ก็คือพยายามที่จะใส่ใจว่าเออเบื้องหลังของของสีที่เห็นเนี่ยก็คือมหาภูตรูปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของมหาภูติรูปเนี่ยนะเป็นเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นอะไรสมุทฐานเดียวมหาภูตรูปที่มีสมุทฐานเดียวคืออุตุสมุทฐานพวกข้างนอกเลยนะที่เห็นทั้งหมดเลยนะ <oz. S 1> ที่ไม่มีวิญญาณครองในนั้นอนะ่ะพวกนั้นเป็นสมุทฐานเดียวเสียงที่พูดพูดออกไปเนี่ยนะมีมาหาภูตรูปอยู่ด้วยนะในนั้นอนะ่ะในตัวเสียงเนี่ยมีมาหาภูตรูปไปด้วยถ้ามหาภูติรูปไม่ไปเนี่ยนะเสียงมันจะไปได้ยังไง เพราะเสียงเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นก็ที่ใดมีกลิ่นนะตรงนั้นมีมหาภูตรูปอยู่ด้วยแต่แปลว่าทวารไหนอะเป็นตัวรับกลิ่นคือทวารจมูกใช่ไหมแล้วสามารถรู้ต่อทางใจได้สมมติเห็นดอกมะลิแล้วสามารถคิดถึงกลิ่นดอกมะลิต่อได้ไหมได้เพราะในในสีนั้นเนี่ยธรรมดาของสีแล้วเนี่ยนะในสีทุกชนิดที่เราเห็นเนี่ยต้องมี ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ในนั้นด้วยอย่างน้อยเจ็ดรูปถ้าสีนั้นเกิดจากกรรมเพิ่มบวกชีวิตเข้ามาอีกรูปหนึ่งบวกจากขู่ภาษาทะเข้ามาอีกรูปหนึ่งนะถ้าทางตานะถ้าทางหูก็บวกอะไรโสตประสาทะถ้าทางจมูกก็บวกอะไรเข้าไปคานาภาษาทะถ้าเลนส์บวกเซลล์หาภาษาทะถ้ากายทั้งหมดบวก กายภาษาทะเข้ามาถ้าหาทยะก็บวกหาทยะเข้ามาอย่างน้อยเจ็ดพูดถึงอะไรเมื่อกี้สีพูดถึงสีว่าสีอ่ะนะยกรูปารมขึ้นมานะในรูปารมคือสีอย่างน้อยต้องมีรูปเกิดร่วมกับสีนั้นเจ็ดเกิดร่วมกับสีนั้นเจ็ดอ่ะนะร่วมกับสีก็เป็นแนะปดไงอ่สแสดงอีกในหนึ่งนะอ่ะนะห้ามสับสน <c oughs> คือ คือลองดูเนี่ยนะเอ๊ะจะพูดจากท้ายไปหัวบังงี้นึกออกหรือเปล่าของเราเนี่ยนะเคยรับแต่หัวหนึ่งถึงแปดเนี่ยนะแต่อบอกว่าจะลอง8ปดเจดหกนี่ยเอ๊ะชักไร้เน่ก็เป็นล้คือเราเรียนอนุโลมปฏิโลมอ่อนเนี่ยนะเพราว่าในการตารบถึงรูปในวันนีโพครูปแเนี่ยพยายามนึกถึงในแต่ละอย่างและเอาหนึ่งอย่างมาตั้งในฐานะเป็นประธานแล้วตัวตามเนี่ย ต, ต้องพยายามมันวิจัยในลักษณะนั้นให้มากๆ ในในรูปทั้งหมดเหล่านั้นก็คือเบื้องหลังของสีเสียงกลิ่นรสก็คือมหาพูตธรูปนั่นเอง น, นแล้วถ้ามีกรรมเป็นสมุทฐานก็จะมีชีวิตรูปเข้าไปมีชีวิตรูปด้วยมีภาษาทรูปร่วมด้วยในนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมมีกรรมเป็นสมุทฐานถ้าเป็นกรรมเป็นสมุทฐานนี่นะรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานสัน ต, ติเดียวจนตาย ตังกเกิดจนตาเนี่ยเป็นสันตติเดียวเลยเไมไม่ต้องไปแยกนะว่าโดยสันตติว่าอะไรเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมัสันตติเดียวตลอดเลยแต่ถ้าสมุทฐานที่เหลือนะอุตุสมุทฐานเนี่ยแล้วแต่อุตุใดจิตแต่สมุทฐานก็แล้วจิตเนี่ยเอาวิถีมาเป็นเครื่องวัดหนึ่งเอาเวทนาเป็นเครื่องวัดหนึ่งเอาคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นหนึ่งมนถ้าฟังธรรมมีศรัทธาทั้งวันก็ถือว่า จิตตชรูปนั้นมีสันตติเดียวนะในจิตตชรูปนั้นมีสันตติเดียวถ้าโทสะเกิดมากก็สันตติเดียวเมกันเวทนาประเภทปฏิฆะเกิดโทมนัสเกิดย อ, อ ก, ก็ถือว่าหนึ่งสันตติเนี่ยนะหรือโสมนัสโสมนัสยาวเลยก็รูปที่เกิดจากโสมนัสชื่อว่าหนึ่งสันตตนินี่เรียกว่าจิตตชรูปนะแล้วตระกูลอาหารชรูปนะเคยอุปมาว่า ดืมเหล้าเข้าไปแก้วนี้นะเมาได้เท่าไรนั่นแหละ1นึ่งสัน ต, ติอาหารอาหารที่เรารับเข้าไปนะั้นในสภาคากันเนี่ยให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวเท่าไหร่นั่นแรียกหนึ่งหนึ่งสัน ต, ตินะหนึ่งสัน ต, ตินั้นสัน ต, ติเนี่ยพยายามนึกถึงสมุทฐานทั้งสี่ประการแต่ว่าในสมุทฐานสีเนี่ยนะกรรมมชะรูปมีสัน ต, ติเดียวตั้งแต่เกิดยันตายเลยต่อกันพื้ นี่ยนะถ้าเมื่อไรเปลี่ยนสันตติก็แสดงว่าเปลี่ยนพบละถ้าจิตตะชูปนั้นเอาอะไรนะทำไม อ, อวิถีเวทนาหรือคุณธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นมาเป็นเครื่องวินิจฉัยสันตติของของจิตนะจิตตะชูบนะจิตตะชูปเอ๊ะพูดแ ต, ต่เพียเยอะได้แก่อะไรจิตตะชูปได้แก่อะไร รูปที่เกิดจากจิตโอ้แปลกเก่งมากอาตัวเขาอะคืออะไรจิตตชรูปถ้าคืออะไรกันแน่อะคือวินิโพคารูปแปดอ่ะนี่ถ้าเขียนกลมๆเลยนะั่นแล้วเขียนเลขแปดเนี่ยนึกออกเลยอ่าถามว่าจิตตชรูปคืออวินิโพค ร, รูปแปดอาหารชรูปก็คืออวินิโพค ร, รูปแปดอุตูชรูปก็คืออวินิโพค ร, รูปแปด ส่วนกรรมมชรูปเนี่ยนะมีรูปอยู่สิบรูปเป็นต้นนะนะมีมีสบรูปก็คือวินิโพครูปบวกกรรมบวกเอ่อไม่ใช่บวกชีวิตบวกภาษาทรูปหรือหาทยะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นจิตตชรูปอุตูชรูปอาหารชรูปก็คือวินิโพครูปแปดซึ่งเกิดจากสมุฐานนั้นๆนั่นแหละ ในรูปทั้งหมดเหล่านี้นะก็คืออวินิโพครูปแปดเมื่อไปบวกกับภาษาทรูปเข้าแปดบวกห้าเป็นเท่าไหร่ละสิบสามเลยใช่ไหมไปบวกกับอะไรอีกบวกกับบวกกับอะไรบวกกับเสียงใช่ไหมบวกกับเสียงอีกหนึ่งและไปบวกกับพวกหัตยะบวกกับโ อ, อปริเฉทะ นะไปบวกกับวิญญาตบวกกับลักขณะรูปเนี่ยนะลักวิญญาติรูปเข้าไปก็จะเป็น28เนี่ยนะพวกภาวะรูปเป็นต้นก็จะเป็นรูป28ก็คือรูปประขันแต่ถ า, ถามว่าถ้าพูดรูปแค่นี้เนี่ยมันยังไม่ถึงกับลึกซึ้งอะไรหรอกเพราะถ้าใช้คำว่าขันเมื่อไรสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีดไกลไกล ในรูปในในรูปยี่สิเนี่ยนะต้องเอาหลักการ11อย่างมามาส่งเคราะห์ลงอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงนะธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยเด่นนะเมื่อวานที่โยมถามว่าดูเฉยเฉยใช่ไหมก็เหมือนนถามว่าดูเฉยเฉยใช่ไหมบอกก็เลี้ยงก็บอกว่าถ้าเราให้เราไปเลี้ยงเด็กเนี่ยนั่งดูเฉยเฉยได้ไหม ทำยังไงอะ่ะเขบอกว่าการเจริญวิปัสสนาก็ลักษณะนั้นแหละก็คือปล่อยในสมัยที่ควรปล่ยอยยกในสมัยที่ควรยกข่มในสมัยที่ควรข่มนันะต้องรู้หลักของแบบนั้นเลยนะรู้เลยว่าถ้าคิดแบบนี้ควรทํำยังไงต่อไปควรใส่ใจย่างไงควรมัณสิการอย่างไรก็จะต้องเป็นในลักษณะนั้นจึงจะเจริญกุศลธรรมได้เนี่ยนะเขบอกว่า ทำกับข้าวเนี่ยช่วยไปดูกับข้าวนหน่อยไงไปนั่งเฝ้าอย่างเดียวเลยไหมหมดหม้อแน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำกับข้าวเนี่ยไม่ใช่ดูเฉยเฉยแล้วก็คือรู้ว่าสมัยแต่ละสมัยเนี่ยควรทำอย่างไรเขาบอกว่าอีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าช่างทองเนี่ยนะที่เขาเขา้าหลอมทองเนี่ยนะเขาจะใส่เขาจะเพิ่มความร้อนในสมัยที่ควรเพิ่มเขาจะลดในสมัยที่ควรลดหรือว่าจะดูเฉยเฉยในสมัยที่ควรดูเฉยเฉยแล้วเขาจะดูในลักษณะใช้วิธีอย่างเนี้ย หลอมทองแล้วก็จะไล่สนิมทองออกก็จะเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ชั้นใดผู้ที่เจริญกุศลธรรมก็จะลักษณะนั้นไม่ใช่ดูมันอะไรเกิดขึ้นดูมันว่ากั้นก็จนมีก็บอกว่าบางคนเนี่ยเขาเขาพูดแซวมาก็ดีมืา ก, กันนะทำให้คิดว่าไอการที่อะไรเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะรู้อย่างเดียวดูอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นหลักคําสอนที่ผิดพลาดอย่างมากถามว่าทําไมจึงผิดพลาดอะ่ะเอาถ้าดูอย่างเดียวแล้ว มันดูไม่ไม่พอเหมือนกับดูเด็กใช่ไหมดูเด็กดูเฉยเฉยอย่างเง้ยแล้วเด็กมันตกบ้านตายว่าไงเสียหายแล้วนะใจเราก็เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นแล้วดูมันโทสะมันเกิดขึ้นเนี่ยจนถึงกับทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังบอกว่าดูมันไปอะไรเงี้ยดูดูจนถึงยันไปอบายแนย่หรือถ้าเป็นผ้าเนี่ยนะโลภ้าเป็นต้นเกิดจนถึงกับเป็นอบับดับหนักๆเข้าเนี่ยดูมันเฉยเหรือเปล่าไม่เฉยนะเพราะถ้าเป็นอบับดับหนักก็ต้องไปแก้ไขาตามเหตุการณ์นั้นสรรารชิกก็ต้องสึกตาย นะไปเป็นสัมมเณนถ้าเป็นสังขาธิเศยก็ต้องไปอยู่ปริวัติไม่ใช่ว่าดูมันแล้วก็เออสังขาธิเศยก็ดูมันไปอีกเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ให้ดูแบบนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมันเรียกว่าเกรดมันตกต่ําถึงที่สุดแล้วเพราะนั้นการพิจารณาธรรมะนั้นอ่ะต้องว่าสมคมในสมัยที่ควรข่มยกในสมัยที่ควรยกแล้วก็วางใจเมื่อในสมัยที่ควรวางใจเนี่ยนะวางเฉยในสมัยที่ควรวางเฉยเพราะนั้นผู้ที่เข้าใจในเรื่อง พ่ชงเป็นต้นก็จะเข้าใจแล้วว่าถ้าจิตฟุ้งฟานจิตโหดนู่ควรเจริญธรรมะประเภทใดถ้าจิตร่าเริงควรเจริญธรรมะประเภทใดเป็นต้นเขามีวิธีการอยู่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยทีนี้เมื่อกำหนดรูปประขันนั้นก็ย่อมกำหนดธรรมะคือจิตและเจตสิกอันมีรูปประขันนั้นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชื่อว่าธรรมะสี่ประการนี้เป็นอรูประคัน ใช่ไหมในรูปประคันเหล่านี้เนี่ยนะจะขูะ่ภาษาถะเป็นที่อาศัยเกิดของจกขูวิญญาณจากขูวิญญาณเกิดขึ้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์จกขูวิวัตถุนั่นนะ น, นะเป็นทั้งอินทรีย์เป็นทั้งทวารเป็นทั้งวัตถุเนี่ยนะ เป็นอินทรีย์ของวิถีจิตทั้งหมดเป็นทวารของวิถีจิตที่เป็นจกักรทวารวิถีเป็นวัตถุของจกักรวิญญาณโดยที่มีสีเป็นอารมณ์จกักรทวารวิถีก็มีรูปประคันเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยที่เกิดขึ้นอาศัยจกักรวัตถุก็เกิดวิญญาณวิถีจิตเหล่านั้นก็เกิดเกิดที่รูปประคันใช่ั้ยแล้วก็มีรูปประคันเป็นอารมณ์นะเพราะฉั้นจัก ชุทวานวิถีทั้งหมดเกิดที่รูปประคันและมีรูปประคันเป็นอารมณ์โสตทวานวิถีจิตก็เหมือนกันนะจิตที่ได้ยินเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่ได้ยินเสียงนี้นเกนะิดขึ้นที่รูปประคันและมีรูปประคันเป็นอารมณ์ขานะทวานวิถีเลยนะทั้งวิถีจิตเลยเกิดขึ้นที่รูปประคันและมีรูปประคันเป็นอารมณ์นะเชิวหาทวาล วิถีก็เหมือนกันเกิดขึ้นอาศัยชิวหาวัตถุซึ่งเป็นรูปประขันและมีระสารมรมเป็นซึ่งเป็นรูปประขันเป็นอารมเหมือนกันกายทวารวิถีนะก็เหมือนกันก็อาศัยกายปราษาะซึ่งเป็นรูปประขันและโพธพะเป็นอารมก็คือรูปประขันอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้เนี่ยเกิดที่ รูปประคันและมีรูปประคันเป็นอารมณ์เนี่ย น, นะผู้จิตแล้วนะเมื่อกี้มโนปุผังเข้ามาทํามามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายกจิตปั๊บบริวารสามต้องเข้ามาแล้วจักขูวิญญาณเกิดร่วมกับเวทนาอะไรอุเบขาเวทนาอุเบขาเวทนานั่นแหละเป็นเวทนาขัน ในจักครูทวารวิถีเป็นต้นเนี่ยนะก็มีเวทนาเกิดร่วมทุกดวงเลยนะแต่ว่าเวทนาคนละอย่างตามสมควรแก่จิตนั้นนั้นไปในขณะนั้นก็มีสัญญาเกิดร่วมด้วยมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะทั้งหมดนั้นเป็นสังขารขันมันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เกิดขึ้นมันเมื่อตามองเห็นวิถีจิตเกิดขึ้นนะเป็นขันหเป็นทั้งรูปประธรรมและ นามมาทำนั น, นะเพราะเวลาแสดงเนี่ยไม่ใช่พูดแค่รูปแค่นามว่าเบื้องหลังของรูปเนี่ยต้องรู้ว่าคืออะไรบ้างเบื้องหลังของรูปก็คือวัตถุและอารมณ์เนี่ยนะแล้ววัตถุคือจักรคู่ภาษาธาเนี่ยนะเบื้องหลังของจักรคู่ภาษาธามีอะไรมหาภูต ร, รูปเป็นต้นเบื้องหลังของรูปารมณ์คือสีคืออะไรมหาภูต ร, รูปเป็นต้นแล้วสิ่งเหล่านี้มาจําแนกโดยประเภทเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นต่อไป นะแล้ววิถีจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็มาแสดงโดยว่าเจตสิกในนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมาจําแนกธรรมะเหล่านี้โดยความเป็นอดีตอนาคตเป็นต้นต่อไปถามว่าแค่นี้พอหรือยังใช่ไหมนี่ยาตะปริญญายังทํางานไม่เสร็จเลยนะเนี่ยทั้งหมดนี้ที่พูดนะยาตะปริญญาทั้งนั้นเลยถ้ายาตะปริญญาไม่ดีตีรณะปริญญาก็ ก็มีอุปนิสัยถูกตัดขาดแล้วไอ้ถามว่ารู้อย่างนี้เนี่ยนะถ้ารู้จริงๆเนี่ยนะถ้าเป็นยาตะปริญญาจะละความสงสัยสิบหอย่างได้ถ้ารู้อย่างนี้จริงๆเนี่ยนะจะอ่าที่กล่าวนี้ได้กี่สัจจะอ่าเมื่อกี้พูดทุกสัจจะยังไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยซึ่งปัจจัยนี้ซึ่งมีความสําคัญมากคือสมุทยสัจจะเขาบอกว่า ต่อแต่นั้นย่อมกําหนดว่าขันสี่เบนจะขันเหล่านี้เป็นทุกเนี่ยนะคือรูปยี่สิเนี่ยเป็นได้ขันหนึ่งใช่ไหมนา ม, มาทําที่เหลือได้ขันขันสี่ขันทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นทุกก็ขันเหล่านั้นว่าโดยย่อเนี่ยนะคือในลักษณะคำพีนเนี่ยนะท่านจะเขียนให้มันเยอะมันเมื่อยอไม่ใช่เมื่อยอะนะคนเรียนมันจะงงเหมือนกันเดี๋ยวท่านก็นเลยสรุปให้มันเหลือย่อๆแค่คำว่ารูปนามเพื่อเป็นศัพท์ เฉพาะศาสตร์ว่างั้นเถอะเป็นศัสตร์เฉพาะศาสตร์เพื่อที่จะย่นย่อในการอธิบายคำสอนต่อไปเพราะฉะนั้นโดยย่อมีสองส่วนเท่านั้นคือนามและรูปนามและรูปนี้มี <c oughs> งูกัดงูอะไรกัดคุณวันชูยังไง <c oughs> งูปากมาใม้ได้งูปากเดียวลมอะลมงูเลยแล้เขามีมีสี่นะ งูปากเน่าเรียกธาตนะุน้ำงูปากมาไม้เรียกธาตุดินงูปากไฟเนี่ยงูปากไฟเนี่ยนะก็คือเตโชแล้วธาตุลมเนี้ยนะงูปากอะไรหรือจาไม่ได้ละ ง, งูปากสัตรามันใช่มันมีมีสีง่งูนั่นเลี้ยงงูตลอดเลยหมาพุทธรูปสี่นั่นแหละคือสอรารพิษสี่ด้วยโอ้กินข้าวให้มันตั้งเยอะนะไปบํารุงธาตุดินมากผิดธาตุลม บำรุงาธาตุลมผิดาธาตุไฟบำรุงาธาตุไฟผิดาธาตุน้ำโอ้มันตีกันยุ่งไปหมดเลยก็เลยไอแครๆอยู่นี่แหละไม่หายสักทีทีนี้ต่อไปนะว่าพโยคาวจรย่อมกําหนดเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นมีวิชาพบตัณหากำและอาหารเป็นต้นว่านี้เป็นปัจจัยเนี่ยนะก็มาไล่ใหม่ว่า ตากับสีใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้ท่านบอกว่าพยายามให้เน้นที่กายนี้นะเพราะนั้นสีก็สีในกายนี้ตาก็ตาที่มีอยู่ในในกายนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอวิชาก่อนเอาแรกก่อนนะเกิดอวิชาเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยนะอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็คือกรรมนั่นแหละใช่ อวิชากรรมสังขาตันหาเป็นปัจจัยเหมือนกับเป็นเป็นแม่เปิดตำราท่านหน่อยคือว่าเอาเองมากเดี๋ยวก็ว่าเอ๊พูดเอาเองเนี่ยนะก็บอกว่าการกำหนดปัจจัยของนามรูปตามอัตกถาจูลนิเทศนะท่านพูดดี เมื่อกำหนดแม้ปัจจัยของนามรูปนั้นอีกก็กำหนดนามรูปโดยนยะดังกล่าวแล้วกำหนดอยู่ว่าอะไรน้อเป็นเหตุแห่งนามรูปนี้ครั้นเห็นโทษในอเหตุวาทะเอ๊สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางบางกลุ่มเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรเกิดใช่ไหมอันนั้นขันห้าเมื่อกี้เนี่ยบางคนบางประเภทเข้าใจว่าไม่มีเหตุนะมันเกิดลอยๆของมันเองเาเรียกว่าอเหตุวาะัะอเหตุตก็คือไม่ปราศจากปัจจัย และเหตุวาทะาอันแตกต่างกันบางคนนี่เข้าใจเป็นอื่นไปมีว่าคนโน้นเสกสรรตั้นแต่งขึ้นนะคนนี้ปั้นตาคนนั้นทาสีอ่าเข้าใจผิดไปนะเพราะเห็นโทษในความเห็นผิดเหล่านั้นจึงสแสวงหาเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นดดแพทย์ครั้นเห็นโรคแล้วจึงตรวจดูสมุดฐานของโรคนั้นงั้นะอ่มีหมอคนหนึ่งก็เล่าว่า ก็บอกว่าถ้าเห็นฝีเฉยๆเนี่ยนะถ้าไม่รู้ปัจจัยเนี่ยหมอก็ททำอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะรักษาฝีอันนั้นอย่างไรแต่หมอเขารู้ปัจจัยเขาจึงแก้ไขเรื่องฝีได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นหมอก็เหมือนกันนะ่ะเห็นโรคแล้วก็ดูสมุดฐานของโรคนั้นฉันดายพโยคาวจรก็เห็นธรรมสี่เหล่านี้คือเห็นขันห้าแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ก็ดูปัจจัยว่าอวิชาตัหาอุปาทานกรรมว่าเป็นเหตุ เพราะเป็นเหตุให้เกิดนามรูปและว่าเป็นปัจจัยเพราะมีอาหารเป็นปัจจัยอุปธรรมกาหนดปัจจัยแห่งรูปปกายอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลาย3 ม, มีอวิชชาเป็นต้นคืออวิชชาตันหาอุปาทานเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่กายนี้คือคือรูปปัจขันเหมือนมารดาเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่ทารก มีกรรมทำให้เกิดเหมือนบิดาทำบุตรให้เกิดมีอาหารเลี้ยงดูเหมือนแม่นมเลี้ยงดูทารกแล้วกำหนดปัจจัยแห่งนามากายโดยในเป็นต้นว่าอาศัยจากขู่แร่รูปจากขู่วิญญาณจึงเกิดจากขู่วิญญาณเป็นจิตชาติไรชาติวิบากใช่ไหมกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิดจากขู่วิญญาณเป็นต้นเพราะรู้เรื่องนี้ดีแล้วจะต้องละวิจิตกิจชา16อย่างที่กล่าวไปก่อนนานี้ได้ นะถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะเหล่านี้ดีนะต้องไปตอบปัญหาที่พูดไปครั้งก่อนนั้นได้ทั้ง16ข้อเลยจะข้ามความสงสัยได้แต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ เ, เสร็จแล้วก็ปัญหา16ข้อก็ยังสงสัยเหมือนเดิมนะแสดงว่าความรู้อันนี้เข้าใจไม่เพียงพอเพราะความรู้อันนี้เป็นเหตุให้ไปละความสงสัย16ข้อที่กล่าวเมื่อวานเนีย่ยน ะ, ะความรู้จักปัจจัยของนามรูปเป็นอย่างดีเป็นเหตุละวิจิกิจชาทั้ง16อย่างที่กล่าวไปเมื่อวาน นี่ก็เลยเวลาไปเยอะแล้วาาลอัศกถาจูลนิเทศเล่มหกสิบเจ็ดในคัคควิสาณสูตรเรื่องของพระปเจกับพุทธเจ้า นอ ว, วิชาพบตัญหากรรมอของฉบับนี้ใช้คำว่าอุปาทานนะคำว่าพบไม่มีต้องต้องดูอีกทีนหนึงนะน่าน่าสนใจนะไปไปดูกับบาลีรับ<อ>ท่านใดมีปัญหาที่จนวัสการถามไหมครับ ผมขออนุญาตนมส ก, การถามสักข้อหนึ่งครัผมครับคือทราบเมื่อทหร่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับที่ว่าธรรมะของพระองค์นั้นไผเราะในเบื้องตน้นไผเราะในถ้มกลางและไพเราะในที่สุดกินความกว้างขนาดไหนครับผมคือเบื้องต้นเนี่ยนะ ที่ว่าไพร่ละก็เบื้องต้นก็ด้วยศีลเนีน่ยนะท่ามกลางก็อริยมรรคที่สุดก็นิพพานเป็นต้นนั่นเองนะนะถ้าถ้าว่าความไพร่ละของพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเบื้องต้นก็ไพร่ละด้วยศีลท่ามกลางอาริยมรรคที่สุดแล้วก็พระนิพพ า, านเะนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั้นมีหลายใน ย, ยะด้วยกันนะเป็นเป็นบทที่เราควรจะไปไปเทียบเคียงดูเนี่ยนะ ในอัตกะถาสมันตาตาสาธิกาที่ขยายตรงพุทธคุณเนี่ยนะเล่มหนึ่งเลยเล่มหนึ่งเลยในเล่มหนึ่งในเวรัญชกันเวรัญชกันก็กล่าวไว้นะว่าอย่างไรชื่อว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดหรือในวิสุทธิมักนะวิสุทธิมักธรรมานุสติเนี่ยนะจะกล่าวถึงคําว่าไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั้นมีโดยหลายนัยยะด้วยกัน